การหมดธนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็จะพูดเรื่องสากดุกเช่นเคยสาดดกที่กล่าวมาในตอนต้นๆ ต, ตามปกติแล้วจะมีเรื่องผลเกิดขึ้นเป็นเหตุให้พระพุเจ้าทรงประรบเรื่อง เหล่านั้นแล้วก็แสดงชาดกเป็นการย้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมต่างๆทั้งด้านดีและด้านไม่ดีที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆที่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องการสอนแนวชาดกก็คือเป็นการสอนธรรมะที่สำเร็จรูป มันมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วเจตนาเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีเมอทำไปแล้วมันก็เป็นบุญเป็นบาปก็มีผลเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการยืนยันถึงกฎแห่งกรรมที่ผูก พ, พันเดีวยวกับชีวิตของคนทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในส่วนใดของโลกหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม แต่จะดเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกคือไม่ค่อยเจอบ่อยมันเกิดขึ้นด้วยอัตยาสัยของพระองค์เองที่มีพระประสงค์จะแสดงเรื่องเหล่านั้นแก่พระจะได้เคยบอกว่าคําสอนมีเหตุเกิดอยู่สี่สี่สีเหตุใหญ่ในข้อแรกนั้นจะเกิดขึ้นด้วยอัตยาสัยของพระองค์ มีพระประสงค์จะแสดงเรื่องเหล่านั้นเอาไว้เพราะว่าเรื่องทีมก็ยากต่อการที่จะถามโือการที่เราไม่สงสัยไม่ได้หมายความว่าเรารู้แล้วคือบางทีเราไม่รู้เลยคือไม่รู้จะถามอะไรจะถามยังไงพระเจ้าก็จะส่งแสดงส่วนมากจะเรียกว่าอนุสาสนีคือตามสอนพร่มสอน แต่บางเรื่องก็เป็นการนำเอาสิ่งที่อยู่ในวิสัยแห่งพระญาณมาะแะดงหมายความว่าคนคนไม่รู้จะสงสัยยังไงเราไม่รู้หัวรู้หางอะไรเลยยันทรงสแสดงถึงที่เกิดที่ตั้งของวิญญาณหมายความว่าสรรพชีวิตทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วก็จะมีประเภทของวิญญาณเป็นเจ็ดประเภท เรียกบิณญาณทิฏฐิคือที่ตั้งของบิณญาณแตะ่จะมีสภาพที่อยู่เป็นก้าวที่เรียกว่าสั ต, ตาวา์ว่ารุ่นเนี่ยคือว่าไม่รู้จะสงสัยยังไงพระเจ้าจะทรงสแสดงเรื่องนั้นแต่บางครั้งมันเป็นอัธยาศัยของคนเหล่านั้นบานคนหล่อนี่ฟังอย่างเงี้ยเราจะรู้เรื่องแต่พูดอย่างอื่นกับเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องเราต้องพูดอย่างนี้ ซึ่งก็มีวิธีต่างๆมากมายที่เราเรียกว่าอนุโลมเทศนาคือแสดงธรรมะคล้อยตามพื้นเพ จ, จริตตัตยาใสของผู้ฟังสาหรับคนนี้จะใช้ได้กับข้ายาขนาด น, นี้สมหรับคนนี้ซึ่งมีโรคอย่างนี้แล้วก็กหายกวางยาไปดีเลยวัที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น แล้วก็มีการตื่นสนกุกมีการประรบมีการนํำมอพิภาควิจารนกันพระเจ้าก็จะทรงแสดงเรื่องประรบเรื่องนั้นแล้วก็แสดงเรื่องแสดงธรรมะก็มีแสดงเรื่องก็มีก็แล้วแต่นะฮะเช่นเช่นช้างศึกของพระเจ้าประสิทธิโก้สตกลมุมมันขึ้นไม่ได้นะฮะเอาคนมาดึงช้างมาดึงไว้ไหวก็ดึ ปุโรหิตก็แนะนำบอกว่าให้ออกกรองศึกมาตีคนไม่ต้องช่วยออกกรองศึกมาตีช้างนึกว่าค่าศึกมาประชิดเมืองกันในตานะาเป็นช้างศึกมาก่อนก็ช่วยตัวเองขึ้นมาจากศาสได้ภิกสุเห็นแล้วก็ตื่นเต้นพระคอบวินทบาทไปเห็นข้าวก็ตื่นเต้นมาขนาดคนฉุดมันขึ้นไม่ได้แต่บทมันขึ้นดำขึ้นมาเอง ก็นำเรื่องเราเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าก็แปลกลับเป็นธรรมะไปทันทีเห็นว่าสัตว์รลบเราในตกอยู่ในลมุณลมในที่จริงมันถอนตัวยากมากกว่าลมในสทัตงแยกนั่นก็คือกามมาคุณแต่แกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทันที่ว่าพระอก็ให้ภิกษุทั้งหลายนี่ดูช้างเป็นตัวอยา่าง แล้วก็พยายามถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างติดลมในถอนตนขึ้นจากลมนี่แสดงว่าไม่ได้เล่าเรื่องอดีตอะไรแต่ก็ประรบปัญหาที่เกิดขึ้นในจุดนั้นแล้วก็เอาเป็นเครื่องมือในการสอนได้ในขณะนั้นอัน น, นี้มีแย่มากอีกแนวหนึ่งก็มีคนมาถามถามก็จะตอบไปตามคำถาม ซึ่งบีลักษณะของปัญหาเนี่ยมันสั้นๆก็ตอบสั้นๆถามมาประโยคก็ตอบประโยคเดียกแต่ทีลักษณะปัญหาเนี่ยมันถ้าตอบสั้นไม่ได้เห็นว่าถามมาอะไรเป็นมงคลไห้มงคลมงคลมันเยอะมันหลายระดับพระเจ้าก็ทรงแสดงแล้วเราจะเห็นว่าสรุปแต่ละข้อก็เป็นมงคลอย่างที่เคยแสดงเรื่องปราเราะว่าสูตร สูตรี่ว่าด้วยความเสื่อมเทวาดามากราบทุณถามเหือนกันว่าถามอะไรเป็นความเสื่อมความเสื่อมมันเยอะพระพุทธเจ้าก็แสดงเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปชุดละสาบ้างชุดลสีบ้างไปมงคลเนี่ยนะฮะเป็นชุดเป็นชุดไปแล้วจะจบลงว่าตังป ร, ราพวโตมุขข้างนี้เป็นทางเสื่อมเอตมังกาลมุตเตมังนี้เป็นอุดมมงคลคือมายความทุกข้อเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันก็เป็นมงคล ในระดับของเขาในขณะเดียวกันก็คื อ, ค อ, คอคกลุ่มคลเ็าอืดทางเสื่อมมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเสื่อมในสถานะของเขาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดความเสื่อมแงอื่นขึ้นมาชาโดกเรื่องนี้เรียกชื่อว่าชะวะังสาชาโดกแต่เราแปลก็คือเรื่องของของที่บินได้เร็วมากนะฮะชวะนานะก็คือเร็วนะที่เราแปลว่าชวนที่จริงเร็วนะ เราอ่านเป็นชวนอ่านภาษาไทยเป็นชวนก็แปลว่าเร็วเฉวนาเดี๋ยวไปได้เร็วบานทีเรียกปัญญาเรียกว่าชวนะปัญญาคือปัญญาเร็วปัญญาไวในะ้คิดได้เร็วทําอะไรได้เร็วแต่พอภาษาไทยเราอ่านเป็นชวนจริงๆก็เป็นภาตาบาลีนะชวนเลยกลายเป็นกิริยาแทนที่จะเป็นนามแต่จริงๆองเขาก็ก็เป็นกิริยาเป็นกิริยาเหมือนกัน พระเจารับสั่งว่าสมตสมติสมมติคือว่าพระประชุมการรับสั่งคือตั้งเป็นสมมติขึ้นมาพอสมมติว่ามีนายกขมังธนูสี่คนที่ฝึกปลือมาอย่างดีเลแล้วก็ยิงธนูได้เร็วมากแล้วไปได้ไกลเธอคิดว่าเร็วไหมนะธนูแล้วสถนี้พิสูโก็เร็ว นี่สมมติสมมติว่ามันมีคนคนหนึ่งที่มีกําลังมากกว่า น, นั้นเวลาเขายิงธนูนี่สามารถที่จะไปทางอากาศแล้วไปจับธนูได้ทั้งหมดเลยเอามาวางไว้แทบเท้าก็ไหนกำหมังธนูได้เนี่ยเธอคิดว่าใครยิงเร็วกว่าฟิกซูเขาบอกว่าบุรุษนั้นเร็วกว่าเพราะนุ่มมันยิงกระดอกไอ้นี่มันมันมันวิ่งไปทีเดียวก็จับได้ทั้งสี่ดอกเลยนะมันต้องเร็วกว่า แล้วก็ถามว่าคนคนนี้นะสามารถจะไปได้เร็วมากบางครั้งก็เคียงคู่กับพระจานทร์พระาทิตย์ไปได้คือการไหลของพระจานทร์พระาทิตย์การเป็นของพระจานทร์พระาทิตย์การบุญของพระจานทร์พระาทิตย์กับบางทีนี่ไปแสงหน้าไปได้เธอคิดว่าอะไรเป็นเร็วกว่าที่สุดก็กลับสุดที าบางทีงพระจันทร์พระอาทิตย์เร็วกว่าบางทีก็คนนเร็วกว่าก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่จังหวัดแล้วก็มาสรุปว่าที่จริงๆเนี่ยมันมีสิ่งที่เร็วมากกว่านั้นก็คือเรื่องของชีวิตที่เกิดมาและตายเนี่ยมันเร็วมากเพราะว่าคนเราตายได้ทุกขนาดนะพรับว่าแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยที่จริงในแต่ละขนาเนี่ยมีคนเคยตาย หมาความมาถือปฏิสนธิมาหนึ่งนาทีตายสองนาทีตายสามนาทีตายสี่นาทีตายนี่มีเยอะเลยมันก็เร็วมากเลยเพราะชีวิตที่ ท, ที่ที่เกิดมาแล้วตายเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเร็วเท่ากับความตายซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของคนซึ่งก็หมายความว่าการพูดประเด็นนี้พูดในพวกที่เป็นคนแล้วก็เกิดตายเกิดตายกันมาก็เรียกว่าตายทุกขณะเพียงแต่ว่าใครตายแต่นั้นเอง เลยประการหนึ่งก็คือชีวิตเนี่ยมันเป็นขนาดเขาเรียกว่าคันนิกะมรณะคือเราตายอยู่ทุกขณะเช่นในส่วนส่วนของนามธรรมมันจะตายเร็วมากเช่นความรู้สึกเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นก็เกิดดับเกิดดับกิดดับอันนี้เร็วนะเราเห็นมันเร็วมากเดี๋ยวจนกําหนดไม่ทันนะลองดูความคิดที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะแล้วเราก็เป็นนะะเราปรุงเป็นนั้นอยากเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นนะ เห็นมลองลองลองดูลองลองดูหนังดูละครอะไรก็ได้นะะเราอยากเป็นนั่นเป็นนี่เปนน้เราก็อยากเป็นเรื่องแล้วก็ดับดับดับดับับก็เป็นแล้วก็ตายเป็นลตายเป็นตายเป็นตายอย่างนั้นอันั้นอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของความคิดในแง่ที่มันเกิดขึ้นจากภาวะตันหาที่ปฏิจจสมบัติเรียกว่าพบนะฮะที่ปฏิจจสมบัติเรียกว่าพบมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งอย่างนี้ความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอยโน้นเป็นมาเยอะอันนั้นก็ก็ช่วงหนึ่ง อีกช่วงหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมถึงมันเกิดดับพวกเซนทั้งหลายถ้ามันเกิดขึ้นน้ำก็ดับไปดับไปแต่ว่ามีมเกิดขึ้นใหม่ก็ถ้าย่อยกันไปแบบกระแสไฟกระแสน้ํำนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าทุกขณะเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็ช้าลงหน่อยถ้าเทียบกับการดับของจิตเพราะในจุดนี้เราก็มองได้ทุกๆจุดนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตมีการเกิดดับที่เร็วมากเร็วกว่าพระจันทร์ประชิต เรียกว่าลูกธนูที่นายขมังธนูยิงไปแล้วก็เรียกว่าคนที่มีกำมังมีริดนะฮะสามารถที่จะแข่งกับพระทิตได้พิสูทั้งหลายมาฟังแล้วก็มาพิจารณาในแง่ของมรณสตินะฮะคือท่านจะเห็นว่ามรณสติกับกายกัจกตาสติ อย่างที่เคยเคยเคยเล่าตัวอย่างให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่หัวในทรงทรงเป็นนักปรารที่ยอดนักปราชถ์ในพรพุทธศาสนาเลยนะก็เรียกว่าตั้งแต่สุขโขทัยเป็นต้นมานีย่ยังไม่มีมือขนาดเนี้ยมือที่แตกฉานในภาษาบาลีมากโดยเฉพาะแตกฉานภาษาบาลีนะรับยังไม่มีขนาดนี้ ท่านท่านท่านมองเห็นปัญหาในสังคมชาวพุทธเราเพราะชาพุทธเราถ้าเราแก้ปัญหาสักสี่สักสีข้อได้นะฮะแก้ปัญหาสักสีข้อได้แล้วเนี่ยมันจะลดแล้วจะหมดสิ้นปัญหาไปได้อย่างน้อยก็ลดปัญหาในแง่ของสังคมแต่ว่าปัเจกชนบางคนเนี่ยสามารถจะหมดปัญหาได้ ก็คือหนึ่งเรื่องความศรัทธาเลื่อมใสที่มีอยู่ต่อพระรัตนตรยไม่ค่อยมั่นคงก็เรียกว่าศรัทธาเลื่อมใสที่เลื่อนลอยแล้วกับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรุนแรงขาดเมตตาความรุนแรงชอบทะเลาะชอบพิว่าชอ บ, ชอ บ, ชอ บ, ชอบถูกเฉียงแล้วหาข้อยุติอะไรไม่ได้คล้ายๆก็มองต่างมุมมาเนี่ยคือมันมันมันหาข้อยุติไม่ได้เลยฟังไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหาข้อยุติไม่ได้ว่าอะไรคือความถูก บางคนชอบตกใจเอ้คนนี้ก็น่าควางคนน้องก็น่าควงคนนั่นก็น่าควงแล้วเสร็จแล้วเราก็จับประเด็นไม่ได้ว่าเราจะเอาอยัางไงดีประการหนึ่งก็คือเพลิดเพลินสนุกสนานพอใจติดใจในในพวกวัตถุกรรมทั้งหลายที่มีการปรนปลือกันอยู่เนี่ยแล้วก็ประมาท ดังะะั้นจึงรงวางจตุรรค ก, กับกรรมฐานสี่ข้อคือหนึ่งพุทธานติให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าสองเมตตาให้เจริญเมตตาสมอสุภะคือดูร่างกายของไม่งาเรื่องบันทีเราเรียกกายกตาิสติสติที่ระลึกดูที่กายเราเพราะจริงๆการที่จิตใจบ้นข่อยควาบหลั่ถนาอะไรสิ่งสวยงามนะต่างๆมันเพราะเรารักเราเราหลงเรานะฮะต้องการเอาสิ่งเหล่านั้นมาปลนปลื้มตัวเรา เพรตรงนี้บางทีท่านเรียกว่าอสุภะบางทีท่านเรียกว่ากายตากายาตาสติก็คือดูที่กายเราอสุภะบางทีก็ดูที่กายเราด้วยดีกายก็ดี ด, ด้วยทีนี้ถ้าเราลดละเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในแง่ที่มันเป็นจริ ง, งนะฮะไอจิตใจที่ขวัญความมันก็ลดลงเพราะว่าไม่มีอะไรที่คิดว่ามันสวยงามจริงจริงพอมรณะสติพอนึกถึงหมนณะสติก็จบ ชีวิตมันกเท่านั้นเองมันก็จบลงที่ตายแต่ว่าเราขาดไอ้ตัวเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดอน่นะทั้งทั้งสี่ข้อในจังหวัดทางภาคใต้าจากชุมพร ล, ลงไปถึงปัตตานีเ น, นาาาเนี่ยนะนราธิวาสเนี่ยมันจะมีบทสวดอย่างเนี้ยก็เรียกจตุรารักษกับอัฏานในพระสวดทุกวันเนี่ยนะฮะแต่ยังประมาทเยอะสทุกวัน พุธานติเมตตาจะอุภฟังมรณาสติิีิมาจาตุราราคาการต บ, บายจิตวนาเพราะมากนะครับส่วนนี้เามาแต่ว่าเราก็ได้แค่สวดมันก็ไม่ได้สติคิดถึงความตายเพราะตรงนี้พระพุทธเจ้าก็นำมาเน้นย้ำให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เร็วเร็วเ ร, ว เ, ร, ว เ, รวเนี่ยนะมันจริงจริงแล้วเนี่ยชีวิตที่มันเกิดตับเร็วมากแลโดยเฉพาะจิต นะฮะจิตเราเนี่ยมาเกิดดับเร็วมากไอ้ส่วนร่างกายก็เกิดดับเร็วติสูทั้งหลายก็ชื่นชมเพราะเจริญมรรสติท่านก็เห็นจริงไงนะฮะท่านก็เห็นจริงเอาทั้งหมดเนี่มาคิดพอคิดแล้วยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือหมายความว่าท่านก็ได้ทางของท่านแนี่เป็นหลักในการแบบอีอางหนึ่งคือท่านท่า น, ท, านท่านเกิดปีตรีประโมุต แล้วก็นึกถึงที่มาของผู้พูดเรื่องเหล่านี้ก็นึกถึงพงระพุทธเจ้านะฮะท่านเหล่านั้นก็มาไปสุ่มการบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดมาท่านทําประโยชน์ทําประโยชน์แก่คนอื่นแม่นั่งคุยมันก็ได้ประโยชน์ละนั่งคุยกันหน่อยเดียวเราก็ได้ประโยชน์แหละไปคุยกับพระพุทธเจ้าหน่อยเดียวท่านเกิดมาทําประโยชน์แก่คนอื่นมากมายจริงๆรพระข้าไปคุยหน่อยเดียวได้เรื่องแล้วนะได้มนเรื่อง แล้วก็สืบต่อคิดไปปฏิบัติไปก็รุ้มาผลได้ทั้งนั้นเนี่ยนะคนเนี่ยเราจะเห็นว่าพุฒเจ้ามีวิธีกระตุ้นกระตุ้นเร่งเร้าให้พระเกิดสหนักถึงวัยถึงชีวิตแล้วก็ให้อยู่ด้วยความไม่ประมาท แสดว่าท่านเหล่านั้นมีความสนใจต่อเรื่องมาคือฟังมาแล้วก็มาคิดมาพิจารณาจะเดี๋ยวจริงแล้วก็มาตั้งวงคุยกันใหม่อีกเที่ยวหนึง่งตั้งวงคุยก็เรื่องเดิมนะฮะแต่จริงว่าตั้งวงคุยกันใหม่อีกทีนึง่งตัวเองได้รับผลที่เกิดขึ้นจากที่สรงสแสดงแล้วเพิ่มศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้ามากิ่งขึ้นก็ามาคุยการพระเจ้าก็เสด็จมา เราสั่งถามมาคุยเรื่องอะไรการแต่เหล่านั้นก็กราบทูนในสงสารแต่กรรับสั่งว่าที่จริงเนี่ยเราก็พยายามทำประโยชน์แก่คนอื่นมาตลอดชีวิตตลอดในสังสารวัฏยาวนานแ ม, ม้บางชาติเราเกิดเป็นสัตว์ติดสานเราก็ทำประโยชน์ประโยชน์แก่คนอื่นปีสูตรตั้งหลายก็กราบทูนถามเรื่องอดีต อก็กลับมากลับมาแนวชาดุกเดิมนะฮะมายความว่าพระก็กลาบทูลถามให้เราคือเราจะเห็นว่าการที่เขาถามแล้วเราตอบเนี่ยคือแสดงเขาสนใจอย่างน้อยคนคนถามเนี่ยเขาสนใจที่จะฟังแล้วคนอื่นที่ได้ยินคําถามแล้วก็สนใจเออเ ร, เรื่องเนี้ยฟังดูที่ท่านจะตอบว่าอย่างไงมันก็ดึงดึงจิตคนให้มาหาข้อที่ จะให้คำตอบซึ่งในจริงแนวเนี้ยพระอาจารย์ชายอยู่เรื่อยเหมือนกันเราลองดูนะว่าพระรรมเทศนาที่ทรงแสดงเนี่ยพระสูตรที่สองก็ถามแล้วตั้งคำถามจะตั้งคำถามให้คิด <c oughs> แล้วก็ตอบในขณะนั้นแล้วก็ขยายต่อไปคือหมายความว่าดึงผู้ฟังเข้ามาอยู่ ให้ความคุ้นเคยกันแล้วคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดควาเห็นกันคือสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองไงนะครับรับสั่งว่าในอดีตการนานมาแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นพญาข ง, งทองทองทองอาศัยอยู่ที่ภูเขาจิตตะกูดก็ไอจิตตะกูดเนี่ยเขาจะไปอยู่แถวมาลายะไง ตรกูทุกคนทอนอสินทนอนกรวิคอสกัรพวกนี้ก็รู้สึกอยู่ปายมาผ่านนั้นนะพวกขาพวกเนี้ยก็มีบริวารเป็นจำนวนมากแล้วก็มีหงผู้น้องน้องเล็กกับน้องกลางไะนะก็มีสามมีสามตัวพี่น้องแล้วก็พร้อมด้วยบริวารเบืท่านบินหงพวกเนี้ยบินไปบินมันเป็นแพรไปนะเป็นฝูงมันเต็มเต็มไปเลย คล้ายๆผู้ข้างคาวที่ออกจากเขาข้างคาวนะเป็นล้านๆนะออกมาปราธิดมืดเลยตรงนั้นนะคนข้างล่างนี่เห็นมันมืดเลยมันบังแสงปาทิตดาแล้วก็บินผ่านเมืองพ ร, รานซีไปประชาชนก็เห็นนึกมองสวยนะฮะเห็นสวยก <ๆ S 2> ็จิตใจท่านอ่อนโยน ม, น, มนมันมันรักความสวยงามแล้วก็รักผมเกิดรักพยาคม แล้วก็บอกพระหาดให้อ่านให้ก็คงก็รู้ว่าการกระทาทอย่างนั้นคือธรรมด้วยไมตรีแล้วเขาก็คุยกันในหมู่พี่น้องเขานะ่ะว่าพระราชาท่านทําอย่างเงี้ยท่านคิดยังไงเขาบอกว่าก็แสดงว่าท่านเป็นมิตรอประกวนนินกมาอย่างเงี้นต้องยิงไงนะต้องยิงดีกว่าเดี๋วคนที่โบกมือให้ในะจริงมันก็หายาก ดูเฉยๆยังหายากเลยคือสิ่งตั้งหลายที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันกงค่าก็ดอกไม้หรืออะไรก็ตามที่มันอยู่อย่างที่มันอยู่อ่ะมันจะสวยงามนะแต่คนในมือไม่ค่อยสุกอ่ะเจอดอกไม้ก็เด็ดได้เลยนะเห็นผลไม้สวยๆก็ดึงมาได้เลยเลยเลยเลยมันหมดความสวยงามไอ้ค่าของมันเนี่ยมันมันลดลงไปมันกลายเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรไป แต่ถ้ามันอยู่อย่างที่มันอยู่มันจะสวยงามเพราะนหงส์ถ้าปล่อยเขาบินตามธรรมชาติเขานี่จะสวยงามแต่ถ้าใคใครเกิดไปยิงอะไรขึ้นมาเนี่ยูมันก็แตกก็ไม่สวยเพราะนการมองโลกในแนวนี้เขาเรียกว่าต้องมีไอ้สุนทรียภาพอยู่ภายในใจนะคือพอใจในความสวยงามความเป็นระเบียบนะที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติ จะทำให้รักธรรมชาติแล้วก็รักปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นการมองเพื่อธรรมชาติแต่ว่าถ้ามองแล้วทําลายเราจะเห็นว่ามันเป็นการมองด้วยกิเลสตัณหาคือต้องการได้สิ่งเหล่านั้นมาสนองตนานาของตัวเองแล้วบางทีมันก็ไม่ได้จะไปทําอะไรบางทีก็เด็ดมาหน่อยกันเถอถือๆดมๆแล้วก็โยนทิ้งถึงน่าจะปล่อยให้อยู่ตรงนั้นนะนะ แกก็จะให้คนได้มองด้วยความื่นดวมหลายวันหน่แนวนี้จึงเป็นแนวคิดที่ที่น่ามองว่าคนที่มีพื้นฐานดีๆเนี่ยเขาจะรักธรรมชาติทนุ่นนองธรรมชาติและไม่ต้องการทำลายกระบวนการธรรมชาติแต่เวนีมันเล่นถึงถมทะเลแล้วนะนะว่าไงก็ในการต่อมาเนี่ย ก็เพื่อแสดงไมตรีจิตนะที่พระราชาทานท่านมีพระยาองค์ทองโดยเฉพาะชาวนะหังสาในชวนะผงตัวเจ้าฝูงก็เวลาไปในป่าอิมพานมันก็เอาน้ำนะเอาน้ำมาก็เท่าที่เอามาได้นะฮะแล้วกัจุนของจันจุนของจันก็คือผงจันจันหอมนะ่ะเดวบินผ่านแล้วก็โรยลงไปให้พระราชา เอาฝากนะออกมาฝากมีอะไรก็บินก็ข้ามมาฝากก็มีความเป็นมิตรสนิทสนุมกันอยู่เร่ยจนตอนมาคราวหนึ่งเนี่ยน้องชายไม่ใช่น้องชายก็ได้นะฮะคือคือน้องสองสองตัวเนี่ยมันึกจะอวดริบแยบบินแข่งกับพระอาทิตย์นะฮือพระอาทิตย์เดิน พระอาทิตย์ดีเขาบอกขึ้นเหนือยอดเขายุคุทนทร์อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะแสดงว่าภูเขายุคุทนทรเนะี่ยเ อ, อคือพวกเขาอจิตากูดเนี่ยนะฮะอิตากูดก็คงจะอยู่ทางด้านตะวันตกของยุคอนทร์ยูคอนทรก็เป็นภูเขากลุ่มเขาเรียกสัตวพันธ์คีรีที่ล้อมรอบเขาวาสูเมนนะฮะในวันนาคดียุคตอนทร์สุนทนกรกรวิ ก, า, า, การศักนดะิะเจ็ดยอดนะ ก็พวกนี้ก็เลยไปจับที่ยอดเขาอยู่ขุนถอนพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นพวกนี้ก็บินเลยบินครอพระอาทิตย์ทัปไหนบินไปบินมารากฏพระอาทิตย์เดินเร็วกว่าพระอาทิตย์เดินเร็วกว่าอมก็บินไม่ทันแล้วก็เปรียดลงไปทั้งสองตัวนะฮะแต่ว่าตัวน้องเปรียดไปก่อนพระยาโ์งนะเพิ่งรู้ว่าน้องไปแข่งกับพระอาทิตย์เมื่อก่อนห้ามแล้วแต่ไม่ฟังก็บินแข่งวิแข่งกับการเดินกับพระอาทิตย์ รู้ก็บินตามไปทันนี่ยนะแล้วก็ประคองน้องตัวเล็กกลับมาที่ยุคนทอนแล้วก็บินกลับไปอีกไปทันอีกทันน้องอีกตัวนะั้แล้วก็น้องมาวางไว้ตัวเองก็บินลองแข่งดูนะฮะปรากฏว่าแข่งได้กลับไปกลับมาสองเที่ยวนะเลยยังบินแข่งทันก็แสดงว่าบินเร็วมากแล้วก็ทดสอบพลังกาลังของตัวเองมาโดยวิธี มันก็เกิดขึ้นขนองนะฮะเกิดขึ้นขนองขึ้นมาโอ้เราก็เก่งเหมือนกันก็ บ, บินสามารถจะบินเคียงกับราทิศแต่บางทีก็ล้ำหน้าราธิศได้ก็ บ, บินแข่งจากเช้าถึงเที่ยงไงนะจากเช้าถึงเที่ยงไม่เะบินแข่งจ็ดค่ำหรอกเขบินแข่งจากเช้าถึงเที่ยงก็พอในที่สุดมันก็เกิดความคิดว่าการกระทาอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบินไปบินมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ป เพราะในขณะที่บินไปเนี่ยที่จริงชีวิตเราเองก็ใกล้ความตายเข้าไปเดีวมาตรวจสอบดูว่าอะไรมันเร็วกว่าอะไรก็เห็นว่าความตายเนี่ยมันเร็วกว่าพอเห็ว่าความตายเร็วกว่าก็มองความตายแค่แคมันอยู่ข้างหน้าเราที่ทรงใช้ตำหนูพระพุทธเจ้าท่านใช้กับว่ามีความตายความตายเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้า ไม่ความเราเดินมีหน่อยเดียวเราก็ตายแล้วทีนี้ทำยังไงก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ทําอะไรเดี๋ยวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจะไหก็ต่อมาจากความคุ้นเคยเนี่ยการัยความคุ้นเคยเดิมกับพระราชาเนะะี่ยมันก็บินมาเยี่ยมพระราชาพระราชาท่านก็ชื่นชมนะฮะเอาต่างอย่างดีมาให้นั่งเลยแต่มาที่นั่งทองคําปชื่นชมก็คุยกันได้นะฮะ อย่าไปนสนใจนะฮะว่าคุยได้คุยไม่ได้ไปเดียวไปว่าหงพูดได้กับที่เป็นเท็จแต่อีกคือเราต้องมองว่าหงพูดอย่างไงมากกว่าว่าพูดได้หรือไม่ได้พระชาก็เชิญชวนให้พักแล้วก็ตอนรับด้วยอาหารกุ้งต้มเพงอย่างดีนะต้มเพรียงแล้วก็ทาตัวทาปีกอะไรด้วยน้ํามันให้เพราะไปไปตั้นแสงพระอาทิตย์มามก็ ไมม่เ ก, กิดเสร็จก็ก็คุยกันแล้วก็รู้สึกรู้สึกผูกพันสึกอผูกพันพอเริ่มสนิทเนี่ยพระราชาท่านก็บอกว่าการไปอยู่ในป่าอย่างนั้นนะ่ยมันก็ขาดแคลรเรื่องอาหารแล้วก็อยู่มากๆอาหารก็ไม่พอจะกินก็น่าจะมาอยู่ไปในวงังแล้วท่านจะเลี้ยงดูให้เองนะฮะท่านจะเลี้ยงดูใหเอง พญาโงดันเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่จะพูดจะอะไรกับพระราชาได้ดันก็บอกว่ามันการอยู่ในวังเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมหรับผมนะอย่างหนึ่งรีประการหนึ่งก็คืออยู่ไปอยู่มาวันใดวันหนึ่งพระองค์เกิดจากจะกินทอดกรอบผมขึ้นมาทอดกรอบผมแก้มล้าขึ้นมาแล้ว การปรุงก็แย่เลยประชาท่านบอกว่าเอานะเราให้ปฏิญาณเลยว่าตราบใดที่เธออยู่ที่นี่ฉันจะไม่ดื่มเหล้าเลยได้สีลข้อหนนะเห็นไหมนี่คือได้สีลข้อหนเป็นอุบายวิธีที่บุรภาจารย์เนี่ยท่านใช้คือท่านอาศัยในยะแนวเนี่ยในการสั่งสอนชินธรรมหมายความว่า คนรู้สึกเขาได้ก่อนแล้วเขาจึงให้เราในขณะที่เข้าได้เนี่ยในขณะที่เขาให้เนี่ยเขารู้สึกเขาได้แล้วแต่ว่าทำยังไงให้เขาได้ก่อนแล้วเราก็ให้เขาทีหลังเออเขาก็ให้เราทีหลังก็ทานอนคล้ายๆกับเราเร า, เราสอนลูกเนี่ยนะฮะ ความเอาลูกทำอย่างนั้นอย่างงั้นา น, นฮะเดี๋ยวจะนำไปเที่ยวเดี๋ยวจะซื้อของอะไรมาให้หมายความว่าเด็กแก ม, มีความบวังว่าแกจะได้แกจึงทำเป็นวิธีสอนของคนโบ ร, ราณเพราะจะแนวพระเครื่องเดี๋ยวนี้ชักเสียวเรื่องพระเครื่องปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงโฆษณาพระเครื่องมหาศาลจริงๆน่ากลัวมาก เมื่อคืนน่นอนคิดปัญหานี้ถึงตีสองนี่ทำยังไงอมันไปกันใหญ่เลยนะโฆษณาขายพรเครื่องเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแล้วก็ได้กําไรมาแต่ทำาหรือทำยังไงว่าเอาแหละเราคงเลิกไม่ได้นะว่าทํายังไงเอาธรรมะตามพระพุทธไปด้วยนะเอาพระธรรมตามพระพุทธไปด้วยก็คืออย่างแนวที่โบราณเนี่ยท่านจะให้พวกหลน่นี้ที่จริงไม่ใช่ท่านไม่ใช้นะท่านใช้ตั้งแต่โบราณ เปลี่ยนแต่ว่าท่านให้เขารู้สึกเขาได้เนระาก็้ไปมองปัญหาเราเนี้ยอย่างอย่างในกรณีนี้ก็แสดงประราชาเนี่ยสเสวยน้ำจาดมากพระโพิ ษ, ษัตเอาตรงนี้ก่อนเลยขอล่าก่อนนะขอลาสักท่านก็ดูคนว่าคนเนี้ยขามีปัญหาตรงไหนมากแล้วท่านท่านท่านจะให้แล้วท่านก็มีว่าถ้าคุณต้องการให้สิ่งนี้อยู่กับคุณ เขาเรียกไม่ปลองคือไม่เสื่อมคุณจะต้องเป็นอย่างนี้เลยอันนี้โกโหกไม่ได้นะผิดลูกเมียไม่ได้นะดื่มเหล้าไม่ได้นะเรื่องการพนันไม่ได้นะอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้ไปเรื่อยๆนะแต่ในจริงแล้วเขารู้สึกเขาได้ก่อนวันเขาก็ถึงทางเลือกนะมันยังอย่างในจุดนี้เราจะเห็นว่าพระราชาเองก็ถึงทางเลือกว่าท่านจะเอาเหล้าหรือจะเอาเพื่อแต่ท่านจะได้อย่างเดียว แต่ท่านจะไม่ยอมเลิกเหล้าก็เพราะท่านก็ไม่ได้เพื่อนแต่ท่านต้องถ้าท่านเลิกเหล้าท่านก็ได้เพื่อนเพราะว่าตรงนี้ผมก็เอามาชั่งน้ําหนักดูจะเอาอะไรหมายความปัญญาบัรเกิดต้องใช้แล้วนะฮะใช้แล้วปัญญาพิจารณาเทียบเคียงคือชั่งน้ําหนักแต่พระราชาท่านก็ไวนะฮะท่านก็ตอบทันทีเลยหมายความว่า อย่างน้อยที่สุดก็มีข้อแม้อยู่นะฮะจริงๆนะคือบอกว่าตราบใดที่พระยาหงอยู่ในหวังเนี่ยก็ท่านก็จะไม่ดื่มเล่าตกลงว่าในที่สุดก็คุยกันคุยกันก็พยายามไม่อยู่นะมาความประาชาไม่อยู่ทีนี้ทํำยังไงว่าจะให้เกิดความความไม่ประมาทพระยาหงก็เริ่มเล่าเล่าอย่างเดียวเล่าตะกี้เนะี่ยฮะเพราะคามปราชา ค, คือว่าพูดถึงความเร็ว เพื่อตัวความเร็วก่อนเพื่อตังบินเร็วไม่เร็วเนี่ยประชาชนบอกชุดบินให้ดูหน่อยบินเร็วเนี่ยบินยังไงกิโย่งมันก็บินอย่างหง่งันนะนะมันไต้บินเร็วเนี่ยบินยังไงพญาโง่งก็บอกว่าบินให้ดูไม่ได้เพราะมันก็ดูไม่ทันนะนแล้วก็ดูเป็นตอนปั๊บเดียวมันไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้หมายความเป็นยังไงก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันจะแสดงให้ดู ก็โดยแนวเดิมโครงสร้างเดิมนะก็แสดงว่าพระเจ้าก็ส่งปรารฏเรื่องนี้ที่จะเทว์มาให้นายขมังธนูชั้นดีนี่ไปยิงธนูสี่คนพร้อมกันแล้วปัญหาหงนี่จะบินไปคาบเอาธนูทั้งสี่อันนะที่คนแต่ละคนยิงแล้วยังไม่ตกดินเนี่ยเอามาวางไว้แทบเท้าของแต่ละคนได้มาความกลับไปก็มาสีเที่ยวนะะเป็นแปดเที่ยว ลูกธนูยังไม่ตกดินทั้งหมดเลยนะก็เหมือนกับพวกอายกรรมอะไรต่างๆก็โยนของนั่จะเห็นว่าสี่ห้าอันหก อ, อันเจ็ดอันก็โยนนไ ม, ไม่ไม่ตกนะฮะแต่เราโยนไม่ได้อันเดียวก็เอาไปก็อยู่ละอยู่ก็รับไม่ค่ได้พระราชาก็ให้ทำอย่างนั้นแล้วในที่สุดเนี่ยพระยาหงก็ทาให้ดูเลยพระราชาก็ตื่นเต้นมากมันทำได้อย่างไงมันเรีวหรเหลกน พระยาโอท่านบอกที่จริงมันไม่ใช่บินอย่างเร็วนะฮะนี่ที่จริงมันบินอย่างเร็วคือหมายความมาบรรดาการบินทั้งหลายตัวนี้ช้าที่สุดนะฮะที่ท่านเคยบินมาแล้วในท่านบินเร็วกว่า น, นี้แต่ก็ไม่แสดงให้ดูก็ดึงเข้าหาเรื่องดึงเข้าหาเรื่องจากจากที่ท่านเคยทำมาดึงเข้าหาว่าพระอาทิตย์เร็วพระอาทิตย์นี่เร็วกว่า น, นี้และในสุดก็มาสรุปที่ความตาย เพความตายเร็วกว่านี้อีกนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราเนี่ยชีวิตของเรามีสิ่งหนึ่งที่เร็วมากก็คือความตายความแตกดับของชีวิตนี่จะเกิดขึ้นเมื่อไรที่ไหนอย่างไรเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่จริงก็เกิดขึ้นโดยในยะที่กล่าวแล้วคือโดยขณะ ข, ของความคิดแต่ขณะจิตเนี่ยเกิดดับเร็วแล้วกอเซนต่างๆที่อยู่ในร่างกายบางก็เสื่อมเร็วโดวยความเปลี่ยนแปลงในร่างกาย เดืนี้มีวิชาเกี่ยวกับแพทย์นะที่ศึกษาเรื่องคนชราอนะไรก็ทำเอามาเผยแพร่กันก็ดีนะฮะศึกษาดูเราก็แก่กันไปแล้วก็ดูๆจะบ้างนะฮะดูคนแก่ๆมากๆจะบ้าง่าเราเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะนะไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เพื่อจะได้กระตุน้นเตือนตัวเองไม่ประมาทในทสุดก็มาเน้นย้ำให้ประชาชนไม่ประมาท มันก็ยิ่งชอบใจอนะ่ะฮะชอบใจก็ออกมาคุยขอให้อยู่แต่พระโพธิสัต์ยังไม่ไรับรองนะยังไม่ได้คุยว่าจะอยู่แต่พูดสมมติเฉยๆว่ามันก็อยู่แล้วเวลาพระองค์เกิดจะอยากจะเสวยหงครอบครอบขึ้นมาเอา้าโรงไปกินแก้มเล้าอะอย่างเงีพอพระพราชารับตรงนี้มันก็พูดเรื่องเพื่อต้องการจะให้พระราชาอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือจเจริ่มมานัตสตินะพูดง่ายงนะั้นน่ะ พระราชาท่านเขาบอกว่าความรักนี่เกิดจากการได้ฟังก็มีความรักนี่เกิดจากการได้เห็นก็มีแต่บางทีความรักมันเกิดจากทั้งได้ฟังแล้วก็ทั้งได้เห็นก็มีตามพระยาคงว่าท่านเคยไปสบเรื่องบบนี้ไหมเดี๋ยวท่านก็บอกว่าผมก็เคยทั้งสองอย่างทั้งสามอย่างนะฮะคือเราจะเห็นว่าความรัก ความรักนั้นเกิดบางทีในเราได้ยินชื่อเสียงเกียรติคุณความดีของคนนั้นๆเราไม่เคยเห็นหน้าเลยนะฮะแต่เราก็รู้สึกรักแล้วรู้สึกศรัทธารู้สึกสนใจรู้สึกพอใจแต่บางทีก็เกิดเห็นแล้วกเกิดความรักเกิดความพอใจแต่บางทีเมื่อทั้งทั้งได้ยินทั้งเห็นหมายความมันตั้งคุยกันตั้งได้เห็นหน้ า, าคุยกันแล้วมันก็เพิ่มความรัก ที่จากจุดเนี่ยประชาท่านต้องการเชื่อมโยงว่าท่านเองน่ะรักพยาวงทงทางทางทางด้วยการเห็นแล้วก็ด้วยการฟังเพราะงั้นถ้าพยาวงงไม่อยู่เนี่ยท่านก็ไม่มีสิ่งที่จะให้ท่านรักด้วยการเห็นและด้วยการฟังลองดูนะฮะ ท, ที่จริงแล้วปัญหาชักจะมีเงื่อนปมปลูกมัดพยาวงงพอรุ่งควนนะฮะ คือถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าพระยาฮงไม่รักท่านเพราะพระยาฮงนั่นก็บอกว่าท่านรักพระราชาด้วยการเห็นด้วยการฟังโดยการเห็นก่อนนะฮะโดยการเห็นก่อนเพราะว่า บ, บินจากอากาศมาเนี่ยแล้วก็ด้วยการฟังคือสนทนาพระสนทนาพระยิ่งข่มยิ่งข่มมาพูดมาพูดเรื่องให้เลิกเล่านะพูดด้วยข่มไม่ได้ขออะไรนะพูดเรื่องชีวิตพูดเรื่องเร็วเอ๊ะพูดด้วยข่ม ด้วยก็พอใจนะพอใจที่จะให้อยู่คือจะได้ฟังจะได้เห็นด้วยทั้งสองอย่างเป็นการรักษาความรักพระยองค์ท่านก็อธิบายนะคือจากจุดนี้เราจะพบอีกแน่นึงว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะรักมันไม่ใช่เฉพาะรักคือคนเราเนี่ยไม่ชอบเพราะฟังก็มีนะแล้วไม่ชอบเพราะเห็นก็มีไม่ชอบทั้งเพราะฟังเพราะเห็นก็มี แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เจอกันบ่อยๆ่คุยกันบ่อยๆคุยกันไปคุยมาทะเลาะกันผัวก็เมียยางทะเลาะกันเลยเห็นไหมเอาก็จริงชักยุ่งเหมือนกันนะความคิดนี้ชักยุ่งเหมือนกันพอเห็นก็บ่อยๆคุยก็บ่อยๆเนี่ยมันก็เพิ่มความรักก็มีแต่ก็บ่อยมากครับมันก็เพิ่มความโกรธก็มีมันก็มีตัวอย่างหมดทั้งสองด้านนะมันก็ตัวตัวอย่างในแนวนั้นก็มี ตัวอย่างในแนวที่ว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งเพิ่มพูนความรักขึ้นยิ่งได้เห็นได้ฟังก็เพิ่มพูนความรักขึ้นก็มีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันก็มีเกิดแตกแยกกันก็มีเกิดราษฎร์กันก็มีมีตัวอย่างทั้งนั้นเลยทั้งสองอย่างพระยาหงษ์แท้ก็บอกว่าประเด็นสาคัญ จ, จริงๆเนี่ยนะ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องเห็นกันอยู่ตลอดหรือต้องฟังกันอยู่ตลอดแต่ถ้าใจที่เรารักกันเรามีเมต谛กันนีมันก็นี่ก็เข้าก็เข้าประสิทธิ์นะฮะรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่เขาแห่งเดียวรวมพ้องสังการบ่เลยเหลียวตาต่อกันนาวมันก็ภาพมาป้องป่าไม้มาบัางก็แสดงจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจ มันอยู่ที่ใจซึ่งมีความรักความปรารถนาดีต่อกันในกรณีนี้ท่านนายลองสังเกตนะฮะว่าท่านทั้งสองนี่รักกันด้วยความเป็นมิตรคือทั้งสองฝ่ายนี่ต้องการจะให้แก่กันอะไกันเราสังเกตนะฮะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่พูดเรื่องรักเรื่องรักแบบแบบเจ้าโลกนะฮะแต่พระพุทธเจ้าเรื่องพระพุทธเจ้าพูดเรื่องมิตร มาตามิตรตังสเกคเลแม่เป็นมิตรในเรือนแม่เป็นมิตรนะฮะไม่จะพูดเรื่องรักอุ้ยเจ้าแน่ว่าแม่ต้องเป็นมิตรมิตรพรมาจิตเนี่ยมันจะให้มิตรมิตรก็คือไมตรีคือเมตตานะคําเดียวกันนะฮะมิตรไมตรีเมตตาหรือแม่ศีริะยเมตใจเมตใจก็คือไมตรีนั่นเองก็คือเมตตานั่นเองมันเป็นแต่ละฝ่ายนั้นไม่ใช่มุ่งสนองต่อความต้องการของตัวเอง ซึ่งเป็นอาการของโลภะเป็นอาการของราคะยังยงที่เคยเคยเคยเคยยกตัวอย่างสภาพจิตระหว่างเมตตากับปัาบาตนะนะระหว่างเมตตากับปาบาตซึ่งซึ่งมันนคลายเมตตามันคลายเมตมาเมตาเนี่ยประการแรกค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยจะเรียกว่าการมาราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจของความใคร่ในสิ่งที่ตัวเองใคร้าย่เราะเน็นว่าแนวนี้มุ่งที่ตัววัตถุวัตถุนั้นจะต้องเป็นที่พอใจของเรา วัตถุจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งของก็จางนะแต่พอตัววัตถุเปลี่ยนแปลงใจเป็นกรกๆมันก็จางมัน ก, ก็คลายนะอย่างที่โบราณชอบพูดว่ายามรักน้ากําผักรสมก็ว่าหวานนะฮะปอะยุตินานน้ําตาลก็ผ่านคมอันนี้ ก, ก็คือก็คืออะไรที่จริงมันไม่ใ ช, มมใช่มันไม่ใช่ความรักแต่มันเป็นราคะเป็นการมุ่งบําบัดความต้องการของตัวเองแล้วถ้าทําอะไรให้ไม่พอใจหรือไม่มีการสนองตอบจะเกิดตัวสักร เปรมะจะเกิดความโกรธบางทีผิดหวังเลยฆ่ากันตายก็มีเยอะนะฮะอันนี้ก็ตัวอย่างก็เยอะประการต่อไปท่านเโอยกเปมะแปลว่าความรักนะครเปรมะที่เราแปลแปลว่าความความรักตรงนี้มีใช้นะมีใช้ในกรณีของครอบครัวของเพื่อนบางทีก็ใช้นะฮะสามีภัญญานี่ก็ใช้แต่ลองสังเกตว่า ไปเน้นที่ตัววัตถคุคือตัวตัวรูปธรรมไหมเพิ่งเพื่ง่ายว่าเน้นที่ตัวรูปธรรมคือความต้องการแก่รูปธรรมแต่รูปธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าค่าของความรักนั้นมันอยู่ระดับใดคล้ายๆกับเราเลี้ยงสุนัขไว้นะฮะคล้ายๆกับเรามีสุนัขที่จริงมันมันมันมันอาจจะเป็นความรักแต่พอสุนัขสุ ก, กปรกเราก็รังเกียจนะฮะ เกลังเกยียจหรือว่าเป็นขี้เลื่อนไป็นไรเรายัางเกลียดเราไม่ยุ่งด้วนะฮนั่นแสดงว่าเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ความรักแต่เป็นกามรมารักรนะพอใจติดใจในขนสวยงามในกิริยาที่น้ารักการประจบประแจงการขี้เล่นของธนาอะไรเนี่ยนะแต่ถ้าเรารักจริงเนี่ยเราจะเปลี่ยนฮนะใจมันจะเปลี่ยนเป็นสงสารท่ารักที่บริสุทธิ์จงตรงนี้ท่านจึงไม่เรียกว่ารักเนี่ยท่านเรียกว่าเมตตา แล้วต่อไปก็แกนยรติตะเปมาเป็นความรักที่เป็นพราบเป็นครัวไม่เน้นไม่เน้นที่ตัวปัจเจกนชนแต่เ น, เน้นที่ความเป็นสถาบันหมายความว่าเช่นสามีพัญญานี่ที่จริงพอตอนแก่มันจ้งจะเซ็งๆไงนะจะเซ็งๆไงต่างคนต่างก็เบื่อเออนึกถึงลูกถึงถึงครอบครัวนึกถึงอะไรแต่ไรแบบวันนี้ประนอมประสามประโยชน์กันก็เฉยๆหลบๆออกจากบ้านจะบ้างคนหนึ่งพูดคนหนึ่ง นั่งเฉยเสี ย, ยนอนเตียอะไรอะไรนยการประนีประนอมซึ่งหมายความว่าต่างคนต่างรู้สึกว่าต้องพึง่งพาใสกันก็ก็อยู่กันไปอย่างนั้นนะ่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมั่นคงคือว่าพอกลับจุดหนึ่งแล้วมันเป็นความโกรธได้ทั้งหมดเพราะงั้นบางทีาสามีปัญญาแก่แล้วยังทะเลาะ ก, กันเนี่ยนะฮะกุตากูดา่ายังทะเลาะ ก, กันเลยเห็นไหม เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ระดับมัตรีไม่ใช่อยู่ระดับเมตตาระดับมิตรแต่มันอยู่ระดับระดับที่มันเจือราคาอยู่เยอะราคากัโทโศกนี่เขาจะเข้มข้นเท่ากันเนี่ยนะฮะเรียกว่ารักมากช่งมากรักมากแค้นมากนะอันนี้คือแสดงว่าระดับเขาก็าวีงกลับทีเดียวก็แค่ก็เราเวียงอะไรอะเวียงอะไรเราดึงมาได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันตีกลับมากเท่านั้น อันพราะระหว่างราคากระทศัตตินี่พูดถึงไม่พูดถึงที่จริงมันคือพูดถึงคล้ายๆกันในตัณหาสามท่านจะเห็นว่าเหมือนก็ไม่มีโธสัตว์แต่วิภาวะตัณหานั่นแหละคือโทสัต์ชอบชอบ่ฮยแมวแล้วแมวทิ้งไปทิ้งไปไปนั่นคือวิภาวะตัณหาแล้วมันเป็นอา ก, การโทสัตว์ให้ลองสังเกตว่าคนหรือสิ่งของที่เราชอบพอใจมากๆครับถึงจุดหนึ่งเราจริงเลก็คือโทสัตว์นั่นเอง หมายความเราไม่ชอบสิ่งนั้นแต่หมายความไงหมายความเราชอบสิ่งอื่นเราต้องการสิ่งอื่นต้องการจะเปลี่ยนที่ก็เปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอะไ ร, ะะไร แ, ะแต่ละก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเปลี่ยนก็สรุปว่ามันก็มีโทรศัท์อยู่เพราะฉะเออตรงนี้ทั้งทั้งพญาหงษ์ทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งพระราชา ท่านไม่ได้มองในแง่นั้นนะฮะไม่ได้มองในแง่ของก ร, รมราคะแต่มองในแง่มิตรที่พระาชาทั้งคิดว่าเพื่อนอยู่ที่เนี่เราจะได้ดูแลเขาจะได้ให้อาหารเขาให้การราาักษาคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแก่เขานะแล้วพระยาหลวงเองเนี่ยรู้สึกว่าการครบกับพระราชาเนี่ยท่านจะช่วยโอวาทอนุศาสตร์สั่งสอนชี้แจงแนะนําให้ ให้ประราชานั้นได้ตั้งอยู่ในธรรมโตนั้นโตลงก็แลกเปลี่ยนกันคล้ายๆก็รู้สึกว่าทั้งคนต่างได้ตั้งคนต่างต่างมุ่งที่จะให้มันก็เหมือนกับพระกับชาวบ้านที่พระพุทธเจ้าสอนพระแนละ้วไม่เคยสอนชาวบ้านอนะ่ะคือสอนว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอุปการะเราด้วยวัตถุสิ่งของเรียกว่าอามิดสงเคราะห์เราด้วยอามิดนะอะไรก็ตามวัตถุสิ่งของทั้งหลายเนี่ยพวกเธอจ้องต้องสมุกุลเขาและสงเคราะห์เขาด้วยธรรมะ หมายความวาการแ น, นระนําธรมา ร, าธรมะการตนนนาธรรมะการอนุบาลธรรมะเนี่ฮะเกิสงฆ์ก็ได้ธรรมะตลอดทางการปฏิบัติธรรมแต่การปฏิบัติธรรมะที่จริงเป็นเรื่องของเรานะฮะเป็นเรื่องของเราเพียงแต่ว่ามันอะไรถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงมันก็เป็นเป็นอาหุนโยอหุนโยนะฮะมันก็ไปช่วยเขาในตรงนั้นช่วยเขาใ น, ใ น, ใ, นในการที่เรียกว่ามันเาทำจิตในเรื่องสายเขาศรัทธาแล้วเขาก็าได้บุญแต่ว่าผลจากการปบัติที่จริงเราได้เราเอง เพีย ง, ยงแต่เป็นปัใจจัยให้คนเหล่านั้นได้ทาบุญทั้งสองฝ่ายต้องลงว่าพระราชาท่านมีอามิต h ท่านคิดสงเคราะห์เพื่อนโดยอามิตรอย่ามาาคงท่านมีคุณธรรมท่านมีความรอบรู้ในธรรมะท่านก็คิดจะสงเคราะห์เพื่อนโดยธรรมะต้งลงว่าต่างคนต่างอยากจะให้เหนะ็นนั่นคือแนวแนวของความเป็นมิตรว่าต่างคนต่างอยากจะให้ ผูมิกันตแต่โบกมือมานะฮะเราจะเห็นว่ามันมีความรู้สึกที่ดีต่อการมาตลาดทีนี้ปัญหาจริงๆเนี่ยคนเราถ้าจะเกื้อกูลกั น, นแสดงความเป็นมิมตรมิตรกันแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันจะต้องกินร่วมกันอยู่ร่วมกันไปด้วยกันนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็มีหน้าที่ ทุกคนก็มีหน้าที่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบพระญาคงเองท่านปลีตัวมาไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีบริวารท่านจะต้องดูแลมากแต่สมมุติว่าท่านเอาบริวารท่านมามากนะมันก็มีปัญห า, าไปสร้างภาระให้เพื่อนเพื่อนต้องเลี้ยงดูนะฮะเพื่อนต้องเลี้ยงดูประเด็นเนี้เป็นเป็นปัญหาที่ที่น่าศึกษาอย่างหนึ่งว่าเวลาเขาหนิบนพระนะ ก้อนนิมนต์พรเนี่ยข้อนิมนต์กี่องค์ต้องไปเท่านั้นไงนะไปเท่านั้นในเวลานี้มีกิจกรรมในค่อนข้างแปลกคือหมายว่านิมนต์อาจารย์องเดียวลากในไปเป็นพรวนเลยซึ่งจริงๆไม่ถูกกันนะฮะเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็ดเถื่อนเนะที่นั่งที่นอนข้าปลาอาหารอะไรแต่าะคนก็เถื่อนหมดเลยนะแล้เตรียมไว้พอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาลูกศิษย์มาด้วยเป็นปรวนมาเนี่ยชาวบ้านก็ตื่นตะหนกกันเลยเนี่ย วิธีการเหล่านี้ไม่มีนะเวลาเขานิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะบอกเลยนิมนต์พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์หนึ่งรูปหรือว่าอัตตะเจตุโถนะเขาเรียกมีตนเป็นที่สี่หมายความว่าอีกสามรูปไอ้คำนวณ น, นี้หมายความว่าถ้าแยกไปในวัดเนี่ยพระท่านอยู่มากมากเนี่ยจะบ้างก็ตินมน้อยเขาเรียกอัตตะเจตุโถก็มีตนเป็นที่สี่หมายความว่าสี่รูปทั้งพุทธเจ้าและจะไปแค่สี่รูปเท่านั้น ถ้านีมนพระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดในวัดแดีวก็จะถามยอดแล้วก็นี่ก็ไปแต่ไม่เอาเพิ่มไปคือไม่เอาเกินไปตามตามนั้นอันนี้ก็คือก็คือเงื่อนไขาทางวินัยเพื่ออะไรเพื่อไม่ไปกระทบกระเทือนศรัทธากระทบกระเทือนโภคะนะฮะชาวบ้านชาวบ้านก็เตรียมอาหารไว้ท่าเ น, นี้ยนะเตรียมอาหารที่นั่งที่ที่อะไรไว้ท่าเ น, นี้แล้วเราก็ไปมาก เพื่อสร้างความเดือดร้อนให้เขาเรเมียเราไมนะฮะลรเมีราไมมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าเราถ้าเรามองให้เดียดนี่คือปัญหาสังคมคุณลองนึกดูแต่ว่าเพื่อนจะมาเยี่ยมแต่็แล้วเอาเอาลูกเอาเมียเอาเพื่อนมาเอาพ่อแม่มาทั้งขันรถอรเนี่ยเราก็จะงักหมดเลยที่นอนหลับที่กินหละ่ะจะทำยังไงเราจะพักที่ไทยมันมันมันยุ่งกันไปหมดเลย นั่นคือคือความคิดที่มองถึงเพื่อนพระยาหกเองท่านก็มองพระราชาเองท่านก็คือถ้ามาัมานั่งคุยอยู่เนี่ยท่านก็มีราชภ า, าระที่จะต้องทําแต่เพื่อนกับเพื่อนเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวหรอกอยู่ตรงไหนในี่ใจเราถึงกันเพราะงั้นก็พยายามอธิบายนะฮะที่แจงให้พระราชาเข้าปัตย์ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเรารักกันและใจเราจะถึงกันเมื่อเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ติดต่อกันได้ก็ สามารถที่จะไปมาอาสุขกันได้อธิบายให้ให้ให้เห็นทั้งสองด้านน่ะ น, นะะไม่ใช่เป็นการทําลายมรจีแต่ท่านุถนอมเพื่อนนะทางฝ่ายตาก็ท่านถนอมเพื่อนให้ได้ทําหน้าที่พระญาพระราชานั้นเมื่อก่อนตั้งคิดไม่ออกหรอกนะพญาโขมก็เริ่มอธิบายตัวคิดออกจริงๆเพื่อนมีนะที่เพื่อนเป็นพระราชาเป็นประชาของหง มีราษฎรในมีบริวารที่จะต้องดูแลรักษาเยอะนะทิ้งมาได้ยังไงแล้วพระราชาเองก็ถ้ามานั่งคุยอยู่กับเพื่อนและราชภาระเราจะทายัางไงและการอย่างนี้ก็เป็นการทํำลายเพื่อนเป็นการทําลายเพื่อนนะฮะมันก็คล้ายๆกันอะไรคล้ายๆกับคนที่ไปไหาเพื่อนในในสถ า, านที่ราชการนะฮ ะ, ะไม่ถูกกันนะ เรื่องส่วนตัวมากๆเลยเขานั่งอยู่บนโต๊ะของราชการในเวลาของราชการแล้วเขาต้องทํางานในแก่ราชการโทรศัพท์ไปคุยเขาคุยเรื่องรายสาระไม่ใช่เรื่องงานนะฮะถ้าเรื่องงานก็เรื่องงานนะคุยเรื่องอะไรตลกโอเคก็เรื่องจะไปเที่ยวไปเทีเย่ยวอะไรอะไรนั้นมันเขาใช้โทรศัพท์ของราชการใ น, นกี่บาทนาทีสามบาทมันก็มันก็แสดงว่าไม่ได้หวังดีตัวเพื่อน เดบมุ่งที่จะบําบัดความต้องการกันตัวเองเท่า น, นั้นเองบางทีก็ไม่ดูตา ม, มาตราเรือนะฮะเวียนนอ น, น ก, ก, ก็โทรมาอะไรตายน่เวีนกินข้าวยังโทรมาคุยอย่านี้คือนึกแต่เรื่องตัวเองนะท่านลองทังเกตดูว่าคนเราในจริงมันต้องรู้เลยว่าเวลาเนี่ย ม, มันเป็นอะไรตามปกติคนโทรศัพท์จะต้องมองนาฬิกานะก่อนโทรศัพท์ต้องมองนาฬิกาทุกครั้งเลยแล้วต้องประมาณการเลยว่า คนคนนี้าคนอยู่ตรงไหนในขณะ น, นี้ถึงจะถูกไม่ถูกเนี่ยก็ไม่รู้นะแล้วเราก็ก็โทรไปมองลึกๆแล้วมันขาดความระเบียบทำไมในแง่พูดง่ายแง่งมัน ญ, ญาติน่ะนะแง่มัน ญ, ญาติเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรานึกถึงว่าคนลนันเขาทำงานทวนรูป ทั้งคมเราเราที่พูดกันยากนะที่พูดกันยากแล้วก็พยายามเข้าใจต้องต้องพยายามทาความเข้าใจปัญหาว่าใครจะสื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะกระแสความคิดนี้มันมันแรงนะเอามาสะดุดมาตั้งแต่คราวไนงี้ีมีนายทหารยศนสิบเนี่ยนะชื่นชมจอมพลถนอมที่ว่าท่านไม่ถือเนื้อถือตัวท่านเป็นนายกแล้วท่านยังมางานศพพ่อเรา อั น, นมันเปเวลานอกราชการเราไม่ว่าอะไรนะฮะแต่เราลองนึกดูถ้าเราจะให้คนระดับนี้ไปสแสดงทํางานอย่างนั้นอยู่อีก น, นแล้วเอาเวลาที่ไหนมาทําราชการะมันก็ต้องให้ท่านทํางานในหน้าที่ของท่านนั่นคือเรารักท่านไม่จะให้ท่านมาทํางานให้เรามาเปิดป้ายให้เราม า, านั่งฟังสวดศพพ่อเราอะไรอะไรกลางคืน น, นั้งกลางคืนค่อยค่อยช่วยหน่อยนะฮะ แต่ว่าโดยเฉพาะเวลาราชการเนี่ยนี่เป็นความละเมศระใหม่เป็นความคิดที่มองให้เป็นประโยชน์แก่คนนั้นแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยคนเราจะมองเพื่อตัวเองนะเรื่องงานขนาดนี้ต้องนิมนต์ตนเดืสังกราชแม่ต้น เ, เดือสังกราชมีพระองค์เดียวท่านั้นเองเนี่ยพระชนงแปดสิบแล้วเวลาท่านไปลาท่านมาจะไหวที่ไหนเราเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เอาท่าน่ะเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เอาเจ้าค้าเจ้าเป็นดินลงมาเนี่ยนะ คือมันไม่ยุ่คการจำเป็นเลยเราทักดีท่านเราต้องทนุถนอมท่าน น, นะ่ยนะะอย่างที่เคยเล่าวานาทบินติกาเศรษฐีเธอทูลราพุทธเจ้าแม้แต่ถามปัญหาก็ไม่กล้าถามกลัวจะรบกวนบำรุงอยู่ตลอดระยะเวลาสิบเก้าปีนะที่ในวัดของท่านเนี่ย1ิบเกปีเนี่ยบำรุงเองเลย แต่ท่านก็ไม่รบกวนอะไรพระภูมิธรรมนั่นคือลักษณะความรู้สึกเป็นมิตรต้องการแยกให้ดูระหว่างมิตรกับรักเนะฮะเมตากับไมตรีเมตตาไมตรีกับความรักเนี่ยมันจะต่างกันอย่างนี้ราความรักเนี่ยให้คราบครนปลือเราทาอาหารให้เราอร่อยอะไรต่ออะไรั้งดีหมดเลยนะฮะหมาความว่าถ้าไม่งั้นเรโกรธเอ็นความรักเนี่ยจะจะโกรธคือมุ่งครนปลือเราแต่ว่าเมตตาไมตรีนี่มุ่งที่จะ เพื่ทูลคนที่เราเมตตาท่านอุทนอมอุ้มชูรักษาอภิบาลคนที่เราเมตตาก็คือความเป็นมิตรเพราะฉะนั้นลักษณะของมิตรจันจึงบอกว่ามีความอุปการะกระทําประพฤติกระทําพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนนะแล้วก็มีความรักใคร่ต่อเพื่อนพร้อมที่จะร่ว ม, มทุกข์ร่วมถูกกับเพื่อนสี่อย่า ง, งนะลักษณะก็สี่อย่างเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ เพราะตรงนี <distinction? S 2> <gibt> <studios. S 1> ้ที่เราปรับมาได้อย่างว่าแม่เป็นมิตรในเรือนเนี่ยเพราะอะไรเพราะแม่ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ลูกเห็นว่าแม่ให้นะฮะแม่ให้แม่จึงมีแนวมิตรมากกว่าแนวรักแนวกัลยาณมิตรเนี่ยมากกว่าแนวรักเพราะแม่ให้ลูกทําอุปการะต่อลูกทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกแล้วก็ตุกกว่าลูกก็ลูกลูกูกินเนื้อแม่กินน้ำแม่ อาหารขาดแคลนอาหารน้อยนะฮะให้ลูกกินก่อนเนสะร็จแล้วแม่ก็กินนะคือมุ่งมุ่งให้นะฮะแล้วด้วยความเรดยดความรักให้เพราะว้นพระเจ้าจึงจึงไม่ใช้คำว่ารักนะฮะใช้คำว่ามิตรมาตามิตรตังตะเกกะเรนะฮะแม่เป็นมิตรในเรือนของตนเพราะในจุดนี้ในที่สุดก็มาสรุปว่าพระพุทตศ์ทนาก็บอกว่า ขอให้พระองค์ในดํารงกันในธรรมปกครองบ้านเมืองโดยโทศพิราชธรรมทศพิราติธรธรมในเรื่องใหญ่นะฮะอาารก็พูดเรื่อยนะแต่ที่จริงมาเป็นเรื่องของผู้บริหารทั้งหลายไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระอาจาถ้าพระองค์ต้องการให้ให้ข้าเจ้ามาเมื่อไรเนี่ยให้นึกถึงแล้วจะมาบินเร็วนะไม่ต้องกลัวนะบินเร็วอยู่แล้วนะ แต่ว่าไม่จะเป็นต้องอยู่ร่วมกันนะก็ทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าการเห็นก็นบ่อยๆการได้ยิ น, นบ่อยๆ เ, เกิดความรักก็มีเกิดความชังก็มีทีนี้ทํำยังไงจึงจะรักษารักษาน้าใจเอาไ ว, นะว้นะฮะโดยการทั้งสองฝ่ายก็คือการประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายหนึ่งการทาอะไรก็ตามให้เป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่าย เกิดเสร็จแล้วก็สายทั้งสองก็ตกลงกันประชาชนเองก็จะอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ที่สอนให้จะให้เป็นประาชาชนที่ดีจริงๆพอเป็นประชาชนที่ดีก็สุจริตคือเกราะบังศาสตร์พร้องอยู่แล้วนะฮะไม่จําเป็นจะต้องอะไรไม่จำไม่จำเป็นจะต้อง อ, องาศัยการช่วยเหลืออะไรจากพระโพธิสัตว์ก็ได้แล้วพระโพธิสัตว์เอง ก็ต้องไปรับหน้าที่ต้องไปทําหน้าที่เพื่อบริวารของท่านแต่ถ้ามีปัญหาอะไรท่านก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะมาดูแลพระราชาในสุดทั้งสองฝ่ายก็เกื้อกูลปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันมาแล้วก็มาสรุปให้เห็นว่าเนี่ยเราแม้แต่เป็นหงเป็นหงนะเป็นสนัแต่ว่ายังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ เพรจริงๆมันก็อยู่ที่ใจคนไม่ได้อยู่ที่ฐานะของเราแหละนะฮะไม่ได้อยู่ในฐานะ ห, หรอกคนเราถ้าใจมั น, ม, น, ม, นมันมีใจมันมีเมตตานะฮะอย่างวันก่อนที่ดูดูใครที่เกลี้ยงเดินเลี้ยงสุนัขเที่ยวไปทเที่ยวมาวันหนึงสิบกิโลโอ้โหมันม น, น่านับถือจังนับถือนับถือจริงๆเลยคนใจอย่างเงี้ยนะหาได้ยากมากเลยมันก็อยู่ที่ใจเราคนเราถ้า ใจมันถึงมีไมตรีตบุคุณอื่นมีเมตตาตบุคุณอื่นแล้วมันก็ทำประโยชน์ได้ความเป็นมิตรจึงไม่จำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันแต่ปัญหาว่าให้มีการปฏิบัติเกื้อกูลต่อกันในด้านจิตใจเรามีความรักกันมีความพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข ก, กันแล้วก็กระทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์มุ่งอุปการะต่อเขา อยู่ไกลยอยู่ไกลไมปสําำคัญแน่นะฮะแล้วนสุดก็ทรงสรุปชดกแต่จากชาดกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีหงสตัี่ตัวสามตวัวมีพระราชาหนึ่งองค์คนอื่นก็ไม่พูดถึงไม่มีชื่อประยาหงส อ, อพระราชานั้นก็มาเกิดเป็นพระอานดท์ในชาตินี้เราจะเห็นว่าพูดกันง่ายได้เกินเนราะอะไรมาจริงๆมันมั น, ม, นมันเป็นผู้บา ร, รมีกันมา เป็นคู่บ e r มีกันมาแล้วก็พญาคงน้องตัวน้องนะฮะเป็นพระโมกขลานะพญาคงตัวกลางนะฮะก็เป็นประสาริบุตร ต, ตัวชวนะคงก็คือพระพุทธเจ้าทำให้เราเห็นอะไรทำให้เราเห็นเรื่องปุเพกะตะปุญญาตากับปุเพสันนิบาสนะคือการเคยอยู่ร่วมกันมาแล้วคือคู้กันมาตลอดนะสามสาวองค์นี้เราเจอเรื่อยนะฮะชาดกเราเจอเรื่อยย อานน์พระราดีบุตรพระโมคคัลลานะนะทีก็พระอารุธพระรุธพระมหากัตถะแล้วบริวารหงในคราวนั้นก็มาเกิดเป็นผู้พุทธบริษัทในคราวนี้นะเป็นพุทธปรักษ์ยุคนั้นนะฮะในยุคนั้นนะแล้แสดงถึงเรื่องบรารมีธรรมที่คนมันสร้างสมกันมาแล้วเกือกูลกันมาคนคนเนี้ยคนอื่นพูดได้คนนี้พูดได้ก็แสดงจริงๆมันมีอิทธิพลในแอดีตนะค่กะก็เรื่องพระนาคเกษกับพยามิลิน วันนี้ก็ขอยุติไว้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านสายชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ